แสดงว่าเอาจริงแล้วส <c oughs> างคนสางเอาจริงแล้วเพราะว่าไม่ว่าทำงานอะไรเนี่ยถ้าหากว่ามันมีเวลาจบเนี่ยเขาถือว่างานนั้นเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าไม่ว่าทำงานอะไรมันไม่มีเวลาจบเนี่ยเขาเรียกว่างานนั้นมันไม่ใช่งานแล้วก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้น การเรียนสมาธิเนี่ยโดยมากไม่มีวันจบแล้วก็คิดว่าเหมือนกับไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นในการเรียนสมาธิของเราก็เช่นเดียวกันเวลานีเ้เป็นงานเป็นการขึ้นมาแล้วก็มีเวลาจบทีะะนี้การมีเวลาจบนั่นไม่ใช่ว่าคิดว่า อยากจะจบก็จบเอาง่ายๆงานนั่นมันก็ไม่ได้สาระประโยชน์เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจบแต่ก็จบลงด้วยดีแล้วก็ได้สาระประโยชน์ด้วยเรื่องของสมาธิแม้ว่าจะเป็นเรื่องของนามธรรมาแต่บัดนี้ก็ได้เปิดเผยออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เราจะสังเกตได้จากผู้ที่เรียนจบไปแล้วรุ่นต่างๆได้แสดงความสามารถแล้วก็เปิดเผยความรู้ให้บุคคลต่างๆได้สำหรับการเรียนสมาธิที่ได้ตั้งบทเรียนขึ้นมาในครั้งนี้ต้องการให้ได้พบกับความละเอียด แม้จะเป็นสิ่งใหญ่ก็ตามสิ่งเล็กก็ตามต้องให้ทราบด้วยความละเอียดดังนั้นการเรียนจึงต้องเดินมาตามลำดับเช่นจากการเรียนสถานที่จากการเรียนวิธีการจากการเรียนทำบริกรรมจากการเรียนมาถึงการต่อต้านการต่อต้านสมาธิ ที่เขียนเอวนี่ก็ถือว่าเป็นเเรื่องของการต่อต้านที่มีความชัดเจนเพราะว่าความกระวนกระวายเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของคนสิ่งที่ขวางกั้นสมาธิที่เรีย ก, กว่านิวรนนั้นนอกจากนิวรนทั้งห้านั้นก็ยังมีความกระวนกวายในที่นี้ หมายถึงติดเป็นที่ตั้งเพราะความสะสมอารมณ์นานัประการเก็บไว้ในใจจนล้นทำให้เป็นชนวนที่จะคอยก่อตัวในเมื่อได้จังหวะเพราะแต่ละจังหวะนั้นแตกต่างกันไปตา่ธรรมดาถ้ามีอะไรมาก่อกวนย่อมมีการแสดงออก เช่นมีคนมากล่าวร้ายหรือใส่ความหรือมาแสดงอาการกิริยาเย้ยหยันหรือใช้อำนาจแบบไม่สามารถจะกระดุกกระดิกได้หรือคมเหงน้ำใจในสิ่งที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกตบหัวแล้วรูปหลังหรือถือตนว่ามีอำนาจศักดิ์สรีแล้วก็ลอยชายยามด้วยพิธีการหรือวิธีการ ทำให้เกิดความเสียใจแก่ผู้ด้อยกว่าสิ่งเหล่านี้คือชนวนที่อารมณ์ส่งเข้าสู่จิตในเมื่อจิตได้สะสมความมีกิเลสเครื่องสงมองมันล้นเหลืออยู่แล้วเมื่อพวกนี้เพิ่มเติมเข้ามามันก็เรียกว่าเพิ่มเติมความกระวนกระวายพอได้จังหวะ อารมณ์เหล่านี้บังเกิดขึ้นความกวนกวายก็จะมีการเพิ่มพลังขึ้นทันทีและทันทีนั้นก็จะรวมกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่สะสมเป็นตัวกิเลสใหญ่ขึ้นสิ่งนี้จะแปรสภาพออกมากลายเป็นทิฏฐิบ้างกลายเป็นการอาฆาตบ้างกลายเป็นพยาบาทบ้าง กาเป็นการจองเวรบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่ชีวิตเพราะความกระวนกระวายตัวนี้มีความร้อนแรงมากสามารถที่จะเาะผาผลาญจิตใจจนสุดที่จะยั่งได้หรืออีกเรียกอี ก, อยอกนยหนึ่งว่าคุ้มคุมขั่งจุดนี้เองที่ก่อความไม่สงบให้แก่โลกจนถึงขั้นมิคสัญญี อันนี้เป็นที่เราพูดกันโดยรวมว่าความกวนกระวายนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นสิ่งที่จะต้องก่อตัวขึ้นมาและก่อตัวขึ้นมานี้ไม่มีวันที่จ ะ, ะจับมันออกไปได้นีแต่ว่ามันจะสะสมเข้ามาแล้วก็ฉายเข้าใช ย, ย, ย, ยเข้าใช้เข้าในจิต จนกระ ท, ทั่งจิตของเราเนี่ยต้องสะสมพวกนี้เอาไว้เป็นกลุ่มเป็นก้อนพอเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็ใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นมันก็เลยกลายเป็นความหนักเรียวกว่าเป็นภาระเรียวกว่าเป็นหนักมาจริงๆและสิ่งเหล่านี้นั่นเราอาจจะไปอแก้ไขได้ด้วยการเมื่อเขาเ อ, อทําำลายเราเราก็ทําำลายเขา อย่างนี้คือการแก้ไขที่ไม่ถูกหรือว่า อ, อ, อาฆาตพยาบาทจองเวรข้ามภพข้ามชาติไปเลยอย่างนี้มันก็ยิ่งไม่ถูกใหญ่สิ่งเหล่านี้นั่นไม่รู้ว่าเจ้าอะไรมาจับมันออกไปได้เพราะว่ามันฝังอยู่ในใจของเราอยู่แล้วจุดตรงนี้เองที่สมาธิมีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องแก้ไข เพราะสมาธิจะอยู่ในจุดตรงกันข้ามกับความกวนกวายดังนั้นจึงต้องมีการต่อต้านกองทัพระหว่างความกวนกวายกับสมาธิด้วยความสามารถของแต่และฝ่ายถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับน้ําร้อนกับน้ําเย็นเอ่อน้ําเย็นซึ่งมีเตาไฟเป็นผู้ก่อให้เกิดความเดือด เมื่อน้ำน้อยก็แพ้ไฟเมื่อน้ำมากก็ย่อมชนะไฟดังนั้นการที่จะดับกกะวนกว๊วยก็ต่อเมื่อเร่งความสงบดับความร้อนของน้ำเดือดก็ต้องเติมน้ำให้มากจนเกิ ค, ความเย็นน้ำใจของคนเราชื่อว่าเป็นน้ำสมาธิที่บงังเกิดขึ้นแก่ทุกทุกคนคือดับไฟเมื่อมีสมาธิที่ทำ จนเป็นฝนแล้วก็พอมองเห็นทางว่ามีทางออกถ้าไม่มีสมาธิเลยก็จนปัญญาพระหาทางออกไม่ได้เนื่องด้วยสมาธิเป็นจุดสำคัญที่จะแก้ไขด้วยเหตุที่ว่านี้ใจเป็นตัวสั่งการเรียกว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดในใจของแต่ละบุคคลใจเป็นสิ่ง ให้เป็นไปทุกๆอย่างหากว่ามีสมาธิแสดงว่ายังมีทางออกที่ดีและปลอดภัยแก่ตนและบุคคลอื่นและแก่โลกด้วยคุณค่าอันนี้คือสมาธิจึงยิ่งใหญ่โดยแท้แต่อย่างไรก็ตามสงครามระหว่างสมาธิกับความกระวนกระวายนี้จะต้องเกิดขึ้นในตัวของมัน จึงสงควรที่จะต้องศึกษาหาวิธีให้ฝ่ายสมาธิชนะให้ได้ด้วยอุบายอันที่เรียกว่ามีกัญยาณมิตรกัานาณมิตรคือครูบาอาจารย์นักปราชญแห่งพุทธสาวกคือสาวกของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้คอยชี้แนะจนกว่าจะมีกำลังเป็นของของตนเองเมื่อ อธิบายมาถึงขั้นนี้เราก็จะทราบได้ว่าสมาธินั้นเป็นส่วนที่มีความสำคัญในการที่จะจับคือจับไอ้พวกกิเลสที่สะสมมาเนี่ยมันมีเยอะอย่างที่พูดมานี่ก็าเรียกว่าหมื่นหรือแสนในร้อยเท่า น, นั้นมันยังเหลืออีกเยอะที่ยังไม่ได้เอามาพูดในที่นี้ ที่เราต้องเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นสมาธิที่เราทำอยู่บางทีเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดความปริวิตกปริวิตกต่างๆน า, น, น, านาเป็นต้นว่าเอ้ยทำอะไรมันก็ไม่ได้อย่างใจทำก็อย่างนั้นเองทำทีไรก็เห็นไม่ได้อะไรสักทีอันนี้ความกวกวายจะเริ่มเกิดอันนี้คือจุดเขาเรียกว จุดดำที่มันจะเกิดขึ้นแล้วหรือว่าเรามีบุญน้อยซะแล้วไม่ไหวแล้วนี่นี่เริ่มแล้วจุดดำเริ่มแล้วทีนี้เราคิดว่าเมื่อก่อนอมันดีเนี่ยมาที่นี่ทาไมไม่ดีอย่างนี้เราก็คงไม่ไหวแล้วเ็าเรียกว่าถอยทับอันนี้คือจุดดำอันนี้คือสิ่งที่เป็นเครื่องต่อต้านในการที่ เราจะทำสมาธิเท่าที่อธิบายมาเนี่ยเพื่อให้เห็นความสำคัญของความกระวนกระวายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงว่าเราพูดไว้ในตัวหนังสือนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่อยู่ในใจไม่ไม่ว่าใครบางครั้งบางคราวอย่างเงี้เรานั่งอยู่เฉยๆมันก็ขุนใจมันก็ขุน นั่งอยู่เฉยๆไม่มีใครว่าอะไรบางทีก็ไปนั่งบางทีไปนั่งตากอากาศพอนั่งตากอากาศมองทะเลบ้างลมพัดมาบ้างกดูเหมือนว่ามันจะดีแต่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นอนความขุนมันเกิดขึ้นสรางความดีอันนั้นเรามองเห็นทะเลมองเห็นลมแวบเดียวเท่านั้นอนความขุนม่เกิดขึ้นได้ไม่ขนาดนั้นเมื่อความขุนเกิดขึ้นความกวนวาย อ้ยทะเลเร่ลมพัดนั่นน่ะมันก็ไม่มีความหมายแล้วเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นเครื่องที่จะต้องแก้ไขความไอกรนกวไวเหล่านี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าสมาธิเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราเมื่อเวลาที่อันตรายจะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ เศราหมองอะไรมันจะเกิดขึ้นพอเรานึกพับเนี่ยสมาธิก็เริ่มเข้ามาเป็นตัวตั้งเพื่อที่จะคอยแก้ไขไอ้ความคุนความสศหมองเหล่านี้ได้จุดนี้หมายถึงผู้ยังต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกเป็นผู้ครองเรือนเป็นแนวทางสู่ความร่มเย็นเป็นสุขตามทรานานนรูปแห่งโลกาภิวัต เพราะนั้นเราอธิบายเรื่องของสมาธินี่เราไม่ได้อธิบายเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยจะต้องออกไปบวชเป็นพระกันหมดหรือว่าไปบวชเป็นพีกันเกลี้ยงหรือว่าไม่รู้ว่าออพอทำสมาธิแล้วเลิกการงานการไม่เอาครอบครัวเลิกการลกมันไปกันใหญ่ แต่อย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการอธิบายไปอย่างนั้นเราต้องการอธิบายให้เห็นว่าเมื่อเวลาสิ่งที่มันควรควายขึ้นมานี่แม่เราจะดับมันไม่ได้หมดแต่เราสามารถมันลดระดับมนได้สักยี่สิบเอร์เซ็นห้าสิบเอร์เซนอะไรอย่างนี้มันจะทำให้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตไปในครอบครัวตลอดจนกระทั่งการดำเนินธุรกิจต่างๆนี่ ดีขึ้นมากมายเนี้วิธีการที่จะเสริมกําลังแก้ความโกรธก็ ว, กวายแย่ที่มากะต่อต้านสมาธิต้องมีเช่นข้อที่หนึ่งศรัทธาในคําสอนก็หมายความว่าเวลาที่เรามีผู้ใดามาแนะนําเราเมื่อแนะนําแล้วมันเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจแล้วมีความ เรียกว่าเหมือนกันกับสิ่งที่มันคว่ำอยู่มันหงายขึ้นหรือว่าเหมือนกันก็หลับตาและลืมตาขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าให้แสงสว่างเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เกิดความมั่นใจอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งและเกิดความศรัทธาขึ้นข้อที่สองคือความมั่นใจใความมั่นใจนั้นได้แก่สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเรามาทำสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อเรามานั่งสมาธิหรือว่าเราปฏิบัติเดินอย่างคมนั่งสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้ความเย็นใจหรือความสบายใจหรือความมั่นใจต่างๆมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไอ้ความมั่นใจอันเนี้ยมันจะหนักแน่นขึ้นเรียกว่าไม่ ย, ย่อท้อเมื่อเป็นเช่นนั้น ข้อที่สามคือมีความเพียรตลอดไปเพราะมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นผลมันออกมาออกมาดีเมื่อออกมาดีแล้วไอ้ความพยายามที่จะอะทําเป็นการต่อเนื่องมันก็เกิดขึ้นในใจก็เป็นข้อที่สามข้อที่สี่ก็ต่อสู้ทางความนึกคิดด้วยอุบายก็หมายความว่าไอ้ความนึกคิดของเราเนี่ยมันอาจจะมีมาน มีอะไรมาคอยประจนเราว่าเฮ้ยทำไปทำไมนอนดีกว่าเราก็ไม่ยอมเชื่อมันใช่อุบายว่าแกนอนก็นอนไปแต่ฉันจะไปทำสมาธิอะไรอย่างนี้นี่คืออุบายอุบายต่างๆเหล่านี้เราจะใช้ในเมื่อเวลาไอ้จิตมันโยธอหรือจิตมันขดถอยหรือความไม่มั่นใจเกิดขึ้น เราต้องใช้หัวใบแก้ไขข้อที่ห้าจดจําสิ่งที่ทําให้ชลาใจคนเหล่านั้นพอเวลาที่ได้อะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยก็คิดว่ามันจะง่ายนีย่เราทําที่ไหนก็ได้เราทํายังไงก็ได้มันเกิดการชลาใจขึ้นมาแล้วก็ไม่ทําระบบเขาวางไว้ยอย่างดีแล้วก็ไม่ทําเพราะว่ามาคิดว่า ทำใครหรือไม่ทำเราก็ได้เหมือนกันหรือบางทีก็เลยเกิดความขี้เกียจขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องจดจาเอาไว้บางครั้งเราอาจจะชะล่าใจไปทีนี้ข้อที่หกอดทนเป็นอย่างยิ่งคำว่าอดทนเป็นอย่างยิ่งนั้นหมายถึงว่าเราทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งอะไรสารพัด ทั้งลำบากทั้งอะไรทุกอย่างที่มันเกิดความลำบากขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีสําหรับการทาความดีจึงจําเป็นที่ต้องอดทนเป็นอย่างยิ่งก็เจ็บเมื่อได้ผลแล้วต้องรักษาเราได้ความรู้เราได้วิชาเราได้สมาธิเรารู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีก็จําเป็นต้องรักษาเอาไว้คําที่ว่ารักษาก็คืออย่าให้มันเสียไป ต้องทำมาและนอกจากว่ารักษาแล้วก็ยังต้องเพิ่มผลขึ้นมาอีกถ้าพิจารณาถึงความเป็นมาของชีวิตแต่ระบุครที่ผ่านมาแล้วก็จะทราบได้ว่าเราได้ผ่านการต่อสู้กับความกวนกวายมาอย่างมากมายทั้งแพ้ทั้งชนะจนเป็นผู้นำครอบครัวจนเป็นผู้นำชุมชนแสดงว่าชนะมากกว่าแพ้ อย่างไรก็ตามทุกคนต้องการที่จะเอาประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในความมีชีวิตนี้จึงได้บังเกิดขึ้นซึ่งคณะฝ่าหาความสงบด้วยการรวมตัวเพื่อสแสวงหาวิธีการกำจัดความกวนขวายนั่นเองคณะนี้คือคณ ะ, สะแสวงหาสมาธิดูแม้จะเป็นของยากทั้งเหมือนกันกับมองไม่เห็นช่องทางแต่ก็ไม่ใช่ยากนัก และก็จะมีการมองเห็นอยู่แล้วจนเราหาวิธีแก้ด้วยความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวที่จะทำสมาธิความกวลก็วายมันอาจจะมีการที่นะให้เราหยุดหมุนความคิดของเราให้กลับไปสะสมของกิเลสให้มากขึ้นแต่ก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าเราได้สิ่งที่สมควรแก่การที่จะได้แล้ว พร้อมด้วยหาโอบายช่วยตัวเรามีให้เกิดความลังเลในการเร่งสมาธิให้เกิดขึ้นด้วยความท้าทายต่างๆนาน า, นามีอยู่ในความกวนกวายนั่นที่มันได้ปรุงแต่งขึ้นเพื่อให้เราเกิดความเชื่อจึงเป็นการปรุงแต่งที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นล่ําเป็นสันเพื่อจะโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความกวนกวายให้จงได้ เหมือนกับยื้อกันไปยื้อกันมาให้เราเลิกร้อมความตั้งใจที่จะสู้กับมันนี่คือตัวอันตรายอันที่จริงแล้วอันตัวกวนกวายนั่นมันไม่เท่าไรดอกความจริงสมาธินี้ได้สร้างพลังขึ้นมากอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่สามารถจะรอดเข้ามาได้ทุกกระบวนการของสมาธิยังมีความยิ่งใหญ่มาก จำเป็นอยู่เองที่นักศึกษาครูสมาธิจะต้องจดจำทงความเข้าใจฟังและดาเนินการเอาเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ยึงจะสมควรเป็นครูสมาธิต่อไปได้อันนี้ก็นยกว่านักศึกษาทุกคนคงจะไม่ค่อยได้อ่านก็เลยอ่านให้ฟังซะเลยเรื่องเป็นอย่างนั้นวันนี้ไม่มีอะไรนอกจากอ่านให้ฟัง ถ้าหากว่าได้อา่านมาแล้วต่อไปก็จะได้อธิบายนอกเหนือจากเล่มเพื่อให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นเนื่เพราะว่าเอาอาธิสมานกายตามไปดูแล้วปรากฏว่าอา่านไม่จบมั่งก็มีเยอะอย่างนี้บางทีก็อา่านไปก็หลับไปอย่างงี้แม่ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาอา่านซ้ำให้ นักปฏิบัติสมาธิที่ผ่านด่านต่างๆไปได้ก็ต้องใช้ความสามารถเราจะพบว่าผู้ทำสมาธิทั้งหลายต้องสลายตัวกลางคันเป็นจำนวนมากเพราะมาคิดว่าสมาธิเป็นส่วนเกินหรือไม่สำคัญนักเพราะมาคิดถึงผู้ไม่ต้องทำสมาธิชีวิตเขาก็าอยู่ได้จำนวนมากความคิดเช่นนี้ถือเป็นความคิดส่วนหนึ่ง ของการต่อต้านสมาธิในใจของบุคคลผู้นั้นความเป็นจริงสมาธินี้เองที่ช่วยมนุษย์ทั้งหลายไว้ ท, ทั้งที่สมาธิมีบทบาทสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มนุษย์ทุกคนก็ลืมความจริงส่วนนี้เพราะมาคิดว่าสมาธิเป็นเรื่องยากเย็นเข็นใจอันที่จริงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นทั้งนี้เพราะครูสมาธิส่วนมาก ชอบแสดงภูมิปัญญาของสมาธิให้เป็นการเหนือชั้นโดยการแนะนำเพื่อจิตชั้นสูงเพื่อให้เห็นว่าคระพจเจ้าเป็นอาจารย์ชั้นสูงด้วยการแนะนำเพื่อไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นส่วนบริสุทธิ์จากกิเลสเป็นต้นทำให้มีคำนิยามว่าภูมาเพ็ญสมาธิต้องเสียสละหมดที่จริงไม่ใช่เช่นนั้น สมาธิเป็นบทบาทของชีวิตในหมู่ชนสมาธิแก้ไขส่งเสริมสมรรถภาพของความพอดีในสังคมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของแต่และบุคคลให้มีคุณาภาพ ร, าพราพพับผิดชอบสูงดังนั้นสมาธิจึงเพิ่มความรับผิด ช, ชอบต่อสังคมสูงด้วยทั้งนี้เพราะเหตุใดเพราะสมาธิธรรมดาทั่วไปคือการอบรมจิตเพื่อให้เกิด ความมิมีการแข็งกระด้างคือเมื่อจิตได้รับอบรมความสงบแล้วเกิดความเสียสละเผื่อแผ่ลดการเอารักเอาเปรียบเกิดความกว้างขวางจิตโปร่งใสคิดการงานต่างๆแบบมีประสิทธิภาพเกิดความรอบครอบด้วยสติและสัมปชัญญะเพราะถ้าจิตนี้มีได้อบรมความแข็งกระด้างนั้นเป็นธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติแข็งกระด้างก็ย่อมเพิ่มความเห็นแก่ตัวมากขึ้นแม่บุคคลนั้นจะมีสติปัญญาเป็นเลิศก็ตามความแข็งกระด้างก็ไม่ได้ลดศักยาภาพลงมากความคิดความอ่านต่างๆก็มีการขัดข้องเหมือนทางที่ครูกคละดังนั้น <c oughs> คืออันนี้พูดถึงว่าคนที่ แต่ตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความแข็งความกระด้างจิตใจเนี่ยมีพิธีมีมานะโอยงังจะว่าอ อ, อ, อจอดรถนี่ฉันเคยจอดยังมาจอดของฉันได้ไงอะไรอย่างเนี้มันเกิดการแข็งกระด้างขึ้อนอหรือว่าเ อ, อฉันก็ใหญ่โตขนาดนี้แกมาให้ฉันจอดได้ไงอะไรอย่างเนี้มันพวกแข็งกระด้างแต่ว่าเอเมื่อหากว่า ผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศได้มามีสมาธิเข้าด้วยศักยภาพจะเกิดขึ้นมากจนเกิดความโปรง่งใสด้วยเหตุผลดังกล่าวความต่อต้านสมาธิไม่ว่ากรณีใดๆชื่อว่าเป็นการต่อต้านที่ผิดที่สุดเท่ากันกับการต่อต้านทําให้สังคมเสื่อมโทรมคนต่อต้านสมาธินั้นน่ะคือคนทําสังคมให้เสื่อมโทรมแต่ว่า มาถึงสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันก็ได้มีประชาคมโลกสนับสนุนการดำเนินสมาธิมากขึ้นอย่างมากด้วยเหตุคือเพราะความเครียดของคลโลกมากขึ้นอย่างมากมายเป็นประวัติการนั่นเองเพราะว่าสมาธิคือพลังอำนาจที่มีความสลับซับซ้อนเกิดขึ้นจากพลังจิตใจได้รวมกันเป็นหนึ่ง จนเกิดความมีกำลังของการที่จะระงับสิ่งร้ายต่างๆให้ค่อยๆลบล้างลงไปจนบังเกิดขึ้นซึ่งความสงบเยือกเย็นตรงนี้เขาพิมพ์ผิดนะเมื่อเป็นเช่นนี้มากมายแล้วผลก็เกิดขึ้นนี้พูดอย่างนี้มันไม่รู้จะฟังยังไง น, นี่เรียกว่าพิมพ์ผิดบรรทัดนี้เมื่อเป็นเช่นนี้สมาธิที่มีและผลที่เกิดขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้เอ่อเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้สมาธิที่มีมากนี่เขาคือมันตกไปสมาธิที่มีมากแต่ก็เขียนว่าเมื่อเป็นเช่นนี้มากมายแล้วผลเกิดขึ้นนี่เนี่ยทําให้หลวงพ่อคนเขียนน่ะเอเขียนแบบไหนแบบเด็กชั้นอนุบานแน่เอย่างั้นมันไม่ใช่นี่มาลดศักดิ์ีกันน่ะอืมอืม แค่ที่จริงมันเขียนพิมพ์เผ็ดนะมเมื่อเป็นเช่นนี้สมาธิที่มีมากและผลที่เกิดขึ้นเนี่ยแค่นี้แหละเนี่ยหลวงพ่อแก้เองแล้วคนอื่นไม่แก้ก็แล้วไปอ่านให้ฟังแล้วนะเมื่อเป็นเช่นนี้สมาธิที่มีมากอ่าเราก็ไม้นั่นก็ฆ่าทิ้งแล้วก็ฆ่าทิ้งและผลที่เกิดขึ้นนี่ก็ข่าทิ้งซะอ่า เมื่อเป็นเช่นนี้สมาธิที่มีมากและผลที่เกิดขึ้นก็ได้ประเมินออกมาแล้วว่าเป็นผลดีแก่คนละโลกอย่างมากมายทีเดียวอันนี้ถือว่าจบวันนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการอ่านอ่านให้ฟังอันที่จริงอ่านเนี่ยจะต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งมายืนตรงนี้แล้วหลวงพ่อก็นั่งฟังแล้วคนนั้นก็อ่านมันก็คงจะดี <c oughs> ยังไงก็ตามวันนี้ก็เป็นนี่อยู่ว่าเราจะไปที่ถ้าหัวแดงกันแล้วออืถ้าหัวแดงเนี่ยมันจะมีลายแทงมีคนต่างๆนี่เขาพากันไปเจาะหินบ้างเขาไปขุดเขาเรียกว่าที่ตรงนั้นมีมหาสมบัติพอเวลาคนที่ไปเจาะหินตายคนที่จะไป อเที่ยวค้นหาสมบัติตายคนที่ไปที่ถ้ำมัวแดงเนี่ยเรียกว่าตายไปมากมายญาติโยมทั้งหลายไปถ้ำมัวแดงอย่าเลยสมบัตินั่นน่ะมันเอาไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ตายเปล่าอาจารย์กลงมาเขาก็ยิ้มแล้วก็แก้ว่าไงวิธียังเอ้ยอาจารย์ว่าไงก็ว่างั้นเราเป็นไงก็เป็นกัน ในที่สุดเราก็เดินเข้าไปแต่พอเข้าไปถึงนี่มันไม่ใช่อะไรอะไรหรอกนันพอเดินเข้าไปยังไม่ทันถึงถ้างัวแดงมันมีแต่รอยเสือนี่อาจารย์อาจารย์นี่รอยอะไรรอยหมาทอ ม, มันกลัวเราจะกลัวรอยหมารอยหมาทำไมมันใหญ่อย่างนี้หมาตัวไหน หมาแกไม่ต้องไปหว่วงหรอกหมาที่นี่มันตัวใหญ่ทีม <laughs> ่ ม, มันหมาของหมาเนี่ยก็ไปอยู่ทีนี้ <c oughs> พอไปอยู่เสร็จแล้วท่านไม่มีหนทางจะทําอะไรได้แล้วเพราะว่าท่านจับไข่จับสันนอกจากไข้จับสันแล้วท่าน ก, เก็เอวก็ยอ่อเอวก็ยอกเดินก็ไม่ได้เออาจารย์ชักจะแย่แล้วหลวงพ่อต้องป่อยบินขบาาคนเดียว เอามาพอตกกัางคืนมาเอาอย่างนี้ดีวกว่าถ้าหาว่าแมถ้าหาว่าเราแน่จริงน ะ, ะหาว่าเราแน่จริงอาจารย์นอนหลับแล้วเราออกมาเดินคนเดียวดูสิว่ามันจะเจออะไรบ้างหลวงพ่อก็ออกมาถึงก็เดินคนเดียวมองไปมองมาไม่เห็นอะไรเข้าถ้ำเลย พอเข้าทาเสร็จแล้วก็ไปนอนอยู่ใต้งัวก็งัวแดงเนี่ยเขาเออเขาสลักหินไว้สลักหินเออสลักเป็นหินไอพวกขมิ้นไอคนก็เป็นพวกหอมะเก่าแก่แล้วก็มีพระเจ้าเป็นดินเออขึ้นอยู่บนหลังงัวแดงแล้วก็มีพระมเหสีสี่คน <c oughs> มันก็แปลกนะ พระเจ้าแผเดินดินเนี่ยมีพระมาเหสีสีคนได้ยังไงอ่าเลยคิดไปคิดมาอ๋อมันมีศาสนาหนึ่งท้าเรียกศ า, าสนาอิสลามเนี่ยก็จะให้มีเมียได้สี่คนอย่างเงี้ยนี่มันจะเป็นอิสลามหรื อ, อยังไงเราก็ไม่ว่าก็คิดไปในใจอย่างงั้นนะแล้วพอเสร็จแล้วคืนวันนั้นก็นั่งสมาธิบอกไม่กลับกุฏิละคืนนี้ คือนี้จะดูสิสว่าว่าเอกุมหาสมบัติเนี่ยมันอยู่ตรงนี้จริงไหมอก็เลยนั่งเท่าอธิสมานกายอยู่ที่ท้องวดแดงอะ่ะ <c oughs> ยังไม่ทันที่เราจะหลับคือว่ายังครึ่งหลับครึ่งตื่นนะพรานั่งไปพักหนึ่งแล้วพอครึ่งหลับครึ่งตื่น อ, ะ อ, น อ, ะอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะบึมบ่อมบึมบั่มไอ่หินมันจะทับเราก็ภวาวะตื่นขึ้นมา เอ้ก็ไม่เห็นมีอะไรก็หลับต่อหลับต่อก็บึมบึมลงมาอีกแล้วก็ลืมตาขึ้นก็หลับเอเสียงเนี่ยมันเหมือนกันับไอ้แผ่้ไอ้หินเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาอย่างเนี้ยพอตื่นขึ้นมาเชา้าคืนนั้นก็หมายความว่าบึมบึมอยู่ตลอดคืนอนะ่ะ <c oughs> ตื่นเช้าขึ้นมา ล้วก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไร <c oughs> ไปถึงก็กลับเอานา้ำถวายพระอาจารย์เรียบร้อยเฮ้ยยังเออใหนน้นะทำไมอ่ะเมื่อคืนแกไปไหนเราตอนนี้โกหกไม่ได้แล้วทีนี้บอกว่าไปถ้ำงัวดแดงก็างองานไปนอนหยต่ใต้ท้องงัวแล้วทีนี้มันเป็นยังไงบอกว่าเหมือนกันว่ามันลั่น แล้วท่านก็เลยบอกอย่างนี้ว่าเออถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับแกเพราะอะไรก็ต้องมาไว้เท่านี้วันนี้ก็ถามกันต่อ ใคไม่ใส่เรื่องอะไรที่สมานกายมั่งหรื อ, อยังไงนอเรื่องอไรที่สานกายไม่ค่อยมีใครถามเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามเมื่อใครมีความสงสัยอันใดอย่างไรหลวงพ่อก็พร้อมที่จะช่วยแก้ไขความสงสัยนั้นตามสติกำลังตามปัญญาที่มีอยู่อาจจะ ลงบ้างอาจจะพลาดไปบ้างก็คงอภัยกันได้นะ <c oughs> ต่อไปก็ขอเชิญคุณมาลีจำปางเงินศาสตราจ า, ารย์ารอาจารย์ลูกศิษย์มีเรื่องที่จะถามว่าลูกศิษย์มาเดินตรงกลมครั้งแรกอะมีความว่าแน่นหน้าอกค่ะเออเาหายยังหายแล้วค่ะาหายแล้วแค่ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะ่ะเวลาลุกศิษย์นั่งสมา <laughs> ธ, ธ, ธออไาิได้ยินพุทโธพุทโธตลอดเลยเป็นเพราะอะไรคะอ้าวได้ยินหรือว่าพูดเองไม่ได้พูดค่ะพุทธโธเข้าหู <laughs> แล้วไม่ได้บริกรรมพุทธโธเหรอแบบมันเหมือนเหมือนว่าเราท่องตามของพุทธโธ ท, ที่ที่ได้ยินเสียงนะค ะ, อ, ะอ๋ออัา น, นั่งก็เรียกว่าสติภูรู หมายความว่าเมื่อเรานึกพุโทโธไปเนี่ยก็เหมือนกันกันกบว่าเราได้ได้ท่อพุโทโธตามที่มีผูท้ที่เหมือนกับมีผู้นําว่าพุโทโธอย่างนั้นใช่ไหมค่ะ่างั้นใครเรียกว่าอได้มีผู้รู้เป็นผูท้ที่แต่จับพุโทโธอยู่ก็แสดงว่ามีสติ นั้นถือว่าดีก็แล้วกันขอบพระคุณอ้าวโอเควันนทิพยธรรมกินดามรส ก, การกราบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องมนต์คาถานะเจ้าคะ่ะเพราะโยมมักมีคําถามจากเพื่อนๆรอบข้างเสมอโยมก็เลยมีความสงสัยและคิดว่าตัวเองคงไม่มีสติปัญญามากพอที่จะตอบเจ้าคะ่ะเกี่ยวเรื่องชินะปันธรคาถานะคะคือว่า เวลาท่องไปเลยนะคะสักพักนึงเราจะเกิดอาการเหมือนร้อนสู้ซาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนมีพลังเกิดขึ้นเจ้าค่ะแล้วเวลาทําไปเนี่ยจะมีเหมือนมีการลองของบ่อยครั้งมากเลเจ้าค่ะเช่นเห็นผู้สีปีศาจรือมีการขับรถจะมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็ในขณะที่เราท่องพู้เจาคุณด้วยและปฏิบัติสมาธิไปด้วยเจ้าค่ะเวลาเราสวดมนต์ไปเนี่ยอาการในตัวเราก็คือจะมีความเย็นเกิดขึ้นนะาา้าค่ะแล้วคราวนี้ระหว่างบนกระฐานี้กับ พุทธคุณที่เราท่องเนี่เจ้าค่ะจะขัดกันไหมเจ้าค่ะคือโยมเคยท่องตั้งแต่เด็กๆมาจนปัจจุบันนี้จะมีอาการสองอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยกันเจ้าค่ะอ่าสวดชิตนน้ำมันชอนแล้วเกิดร้อนขึ้นแล้วก็สวดคาถาอะไรต่างๆเออพุทธคุณเช่นอิสิบิโซโพระควาอะไรเงนี้เจ้าค่ะก็จะมีอาการเย็นเจ้าค่ะอ่า อ, อันนี้คือว่ามันเออเป็นอ กิริยาคือกิริยาของจิตนะเวลาที่เราสวดชินบัญชรเนี่ยมันจะเป็นกริยาจิตหนึ่งแล้วก็เรามาสวดพุทธคุณก็เป็นกริยาจิตหนึ่งแต่ว่าถ้าจะพูดไปแล้วชินบัญชรก็คือพุทธคุณเพราะในชินบัญชร น, นั้นมีกล่าวถึงพุทธคุณทั้งหมดแต่ทีนี้เราแปลไม่ออก อนนี้พอมาถึงพุทธคุณคืออิทธิพิโสเนี่ยหรือพุทธคุณอื่นๆเนี่ยก็คือพุทธคุณแท้ที่จริงนั้นน่ะทำคำเดียวกันแต่ว่าไอ้ปรากฏการที่มันเกิดในความแตกต่างในะมันเกิดจากกิริยาจิตอันหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกิริยาหรือว่าเป็นอาการของจิตก็แล้วกันแต่ส่วนเรื่องของการทำสมาธินี่ในขณะเนี่ยเราต้องการการ สมาธิเป็นหลักถื่ว่าการทำสมาธินี้เพื่อส่งเสริมพลังจิตและเราทำสมาธินี่เราก็ตั้งจุดประสงค์ไว้ว่าเราจะส่งเสริมพลังจิตอันนี้ถือว่าเป็นการถูกต้องขอบคุณเจ้าค่ะต่อไปขอเชิญคุณวรวรรณศรีฉัตรามุกการนมัสการท่านอาจารย์ค่ะคำถามคือ ถ้าเวลาเราสวดภาษาเป็นภาษาบาลีถ้าเราไม่เข้าใจคำแปลนี้จะได้รับอนุสง์จากการสวดไหมคะอ่าคือการสวรดนั้นเขาเรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบหรือไม่รู้คำแปลก็ได้อานิสงส์เต็มที่อ่าต่อไปขอเชิญคุณวราภรณิจวัน ก า, ก, การานธรรมจักรันหลวงพ่อสิทธิ์มเรื่องกาบเลี่ยนถามว่าเวลาเร่องสมาธิใช้คําบริกรรมว่าพุดเข้าโทออกไปเรื่อยๆพุดโทก็จะหายไปเหลือแต่ลมหายใจเข้าออกมาแทนที่สิทธิ์ก็กําหนดลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าออกก็ค่อยๆหายไปแล้วก็อยู่ๆก็เหมือนกับว่าสิทธ์ได้ลืมตาอยากจะถามพระอาจารย์ว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคะในขณะนั้นลืมหรือเปล่า ในขณะนั้นไม่ลืมค่ะแต่เหมือนลืมตาแต่เหมือนลืมตาจิก็พยายามถอนจิตออกมาดูว่าตัวเองลืมตาจริงหรือเปล่านะควาจริงอ่ะไม่ควรจะถอนจิตออกมา ก, ก็ถือว่าจิตเข้าไปถึนฌานแล้วเพราะว่าบางครั้งจิตจะตกจิตจะตกใจเนาะค่ะอ่าอย่าไปตกใจอันนี้ต้องทับมีสติไว้มันเป็นแล้วก็ให้เป็นไปนตามปกติอย่าไปผื่นอะไรทั้งหมด เมื่อเวลาพุทโธไปแล้วมันก็จะหายไปก็เป็นอีกระดับหนึ่งของจิตพอไปอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจก็หายไปก็เป็นระดับหนึ่งของจิตไปเกิดแสงสว่างขึ้นมันก็เป็นระดับหนึ่งของจิตแต่ที่เราจะต้องทำนั้นคือเรามีสติรู้อยู่เท่านั้นก า, า, ารันมาจาการพัฒนาอย่างเนี่ยต่อไปคุณวะไลพอ หลักสิยาวิสิทธิานรมาสตาพระอาจารย์เจคะพระอาจารย์เจ้า ค, ะ, าาาคะถ้ากําหนดสติเนี่ยคําว่าเห็นหนอถูกหนอคิดหนอเนี่ยถือว่าเป็นองค์บริกรรมไหมคงไม่ใช่ฮะพองหนอยุบหนอนี่เป็นแต่เป็น เ, เป็นธรรมบริกรรมชนิดหนึง่งเพราะว่าพอเวลาเริ่มต้นเขาก็จะพองหนอยุบหนอพองพอ ง, พองก็คือหายใจออก ยุกก็คือหายใจเข้าแต่แทนที่จะไปคําว่าหายใจเข้าหายใจออกก็เลยเปลี่ยนตัวเป็นทองแล้วก็ยุบเพราะเวลาหายใจออกทองยุบพอเวลาหายใจเข้าทองทองละไรอย่างเนี้ยมันลมหายลมหายใจเพราะฉะนั้นแค้จะท้องหนอยุบหนอก็คงจะอยู่ในคําบริกรรมแต่คําบริกรรมมา น, นิยมก็จะละเอียดเข้าตามลําดับ อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วทุกครั้งทุกครั้งอาจารย์เจ้าคาถ้าตอนที่ขณะที่เรากำหนดมีสติรู้อยู่ที่อากาศธ า, าตุแล้วมันนิ่งมากเราจะกำหนดคือที่ถูกสอนมาให้กำหนดว่านั่งหนอหรือถูกหนอตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยอาการปรากฏของพองยุบมันจะใช้ออกมาเพื่อให้เรามีสติตามปฏิบัติเช่นั้น ผูกหรือว่าไม่ทําให้เกิดความล่าช้าคะคือเมื่อเปเมื่อจิตมันเข้าระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีเช่นอย่างเรานึกลมหายใจเนี่ยพอเวลาเราเนื้อจิตเนื้ลมหายใจเนี่ยมันจะเป็นจิตระดับหนึ่งแต่พอเวลาเราหยุดลมหายใจแล้วเนี่ยมันจะเป็นจิตอีกระดับหนึ่งมันคนละระดับกันแต่ว่าถ้า เ, เราแต่ยังใช้คําว่า แต่พองเนอหรือว่าอะไรอยู่ในตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นไอ้คําถามหรือเรียกว่าเป็นคําที่เราต้องถามคือมันจะทําไอ้ตัวความรู้สึกเนี่ยให้อยู่ตลอดเมื่อความรู้สึกนี่มันอยู่ตลอดมาเนี่ยจิตมันจะไม่ละเอียดลงไปกว่านั้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ตามความเข้าใจแต่ว่าจะยังไงก็ตาม เราจะต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเ อ, อเมื่อจิตสงบเช่นอย่างคําบริกรรมว่าพุโทโธอย่างเงี้ยเมื่อจิตสงบเราก็หยุดคําว่าพุโทโธถ้าไม่หยุด่ก็ถือว่าทําไม่ถูกแล้วที่อย่างอธิบายมาตอนออที่ผ่านมาทีนี้พอเวลาหยุดแล้วนี่ถ้าหากว่าจิตมันยังไม่อยู่ในระดับที่จะหยุดได้ก็ต้องกลับมานึกพุโทโธใหม่เนี่ย เมื่อจิตไปถึงที่ระดับที่หยุดหยุดได้แล้วนี่ต้องหยุดก่อนการหยุดนี้เพื่อที่จะเอ่อเหมือนกันกันกบเราเทำิ่งที่สาเร็จลงไปแล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องหยุดเพื่อที่จะทำใหม่ต่อไปอนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตนี้ก็จะเพิ่มพลังจิตมากขึ้นเมื่อจิตเพิ่มพลังจิตมากขึ้นพลังจิตอันนี้จะรวมตัวกันเมื่อรวมตัวกันจนกระทั่ง พอเพียงแล้วมันก็จะไปถึงจุดพลังอำนาจในสิ่งที่เราต้องการอันนี้เราควรอธิบายอย่างนี้แต่สิ่งที่หนูทำอยู่ก็ให้เข้าใจว่าลักษณะของการต้องการที่จะให้เกิดความมีประโยชน์จริงๆนั่นอยู่ที่จุดพลังอำนาจ อ, อธิบายบ ค, คน อ, คอืนอ่นต่อไปฮะต่อไปคุณว่าไรรักแท่ชัวการตัางแาจารค่ะ อยากจะเรียนถามว่าเวลานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านะเห็นแต่แสงสีที่เป็นสีม่วงอยู่ในริงดิมแล้วก็ก ล, กลางเป็นสีจําช่ไหมค่ะเอ่อที่เราเห็นเป็นแสงต่างๆนั้นให้เข้าใจว่าแสงที่ออกมานั้นคือกระแสกระแสของจิตกระแสจิตของเราแต่เมื่อเวลาที่จิตมันสงบลงไปแล้วเนี่ยมันจะมองเห็น ทั้งๆ ท, ที่กระแสนั้นก็ไม่ใช่มีแต่ตัวเฉพาะบุคคลคนอื่นก็อาจจะมีแต่คนอื่นนั้นก็อาจจะไม่เห็นเป็นแสงแต่แสงนั้นมันก็มีระยะเท่ากันแต่การที่เห็นแสงขึ้นมาได้นั้นก็เพราะว่าอจิตเนี่ยมันไปอยู่ในระดับถ้าเรียกว่าอระดับของความสงบ ต่อไปขอเชิญคุณวันธนาฉันธมิตรโอภาอ ส, สกรทำพมธีการท่านอาจารย์เนี่ยมีคํททาถามอีกอย่างหนึ่งมากเวลาสิิสวดมนต์ได้ทําไมชอบหลับแล้ว <c oughs> ติสนาซีก็จะหลับอีกแล้วแล้วก็นั่งสมาธิสินาซีก็จะหลับอยู่ตลอดเวลาเนะเอยเข้ารวัง <c oughs> ไม่ไดามาเป็นอะไรคือความหลับนี่คือการเข้ารวัง <c oughs> สวดมนต์ก็จะหลับแต่ทีนี้ เราเพื่อไม่ให้มันหลับง่ายเราก็ทำความรู้ไว้ก่อนเรานึกพุโทโธไว้อย่าเพิ่งให้มันหลับไปแต่ทีนี้เวลาเราสวดมนต์นี่นนะอ น, นั้นมันก็คงจะทำให้ไอ้ความสบายของจิตเกิดขึ้นพอความสบายของจิตเกิดขึ้นมันก็เข้าพวังไอ้ความหลับนั้นให้เข้าใจว่ า, าการเข้าพวังก็แล้วกัน แต่ทีนี้การเข้ารวังนั้นอ่ะ <c oughs> การที่จะได้พลังจิตเนี่ยมันน้อยไปหน่อยส่วนการที่ไม่เข้าภวังแต่มีความรู้อยู่เนี่ยเป็นจิตสงบอเนี่ยอันนี้จะมีพลังเยอะ ก, ก, กว่าเพราะฉะนั้นอนะ่ะก็ให้อย่าให้เข้าภวังง่ายเกินไปทำความรู้สึกคือใช้พุทโธ ร, ระวังไว้<ล>ก็<ล>ะ<า>จะดี ตอนนี้เลยใช้พุทโธแล้วเงยหน้าขึ้นมันก้มนานลงมันก็ไม่ใคร่หลับ เ, เราก็ใช้อุบายอย่างนั้นไปเรื่อยๆขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณวารุณีธีรคุณกนะราบพระเสด็จ อ, อาจารย์คือสิทธ์เวลานั่งสมาธิในขณะที่นั่งเนี่ยมือสองข้างเนี่ยจะร้อนไปหมดแล้วมันเจก า, าจะร้อนไปทั้งตัว เหมือนกับมีความร้อนมาอังอังมือทั้งสองข้างจนบางครั้งจะทนไม่ไหวแต่ในขณะเดียวกันเมื่อร้อนถึงที่ทสุดแล้วเนี่ยรอบรอบกายเนี่ยจะมีลมพัดเข้ามาเย็นเย็นเข้ามารอบรอบไม่ทราบเกิดขึ้นได้ยังไงและเกิดท่ออะไรอันนี้เกิดพเพราะพลังจิต <c oughs> ในขณะที่เรานั่งสมาธิทุกครั้งทุกครั้งเนี่ย ขอให้เข้าใจใทุกคนว่าเริ่มแต่เราบริกรรวินาทีของการบริกรรเนี่ยเราเริ่มเสริมพลังจิตแหละทีนี้การเสริมพลังจิตนี่ก็ตามคนก็ต่างพากันทำเนี่ยมันจะมากอ่ามันจะมากน้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่ปรากฏออกมาจนกระทั่งมีความร้อนออกมาปรากฏออกมาภายนอกนั้นนะ่ะแสดงว่าได้รับพลังจิตใน ในขณะเดียวนั้นน่ะมากอกว่าธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ในที่สุดในความร้อนเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นความเย็นเพราะว่ามันเป็นการที่สะลายไอ้พวกไอ้พิษอต่างๆที่มันมีอ่ะออกไปคือลมที่พัดเข้ามานะคะเย็นแต่ในกายยังร้อนแต่ร้อนบอลเทาลงค่ะอร้อนนั่นก็คือพลังจิต <c oughs> แล้วต่อยข้อได้ไหมคะตอนที่นั่งเนี่ยบางวันเนี่ยจะมีเสียงใบละกาตีตลอดเวลาออนานนานมากเลยค่ะสิบนาทีกับยี่สิบนาทีได้ดังตลอดเวลาออบังวันนะคะมันเป็นอย่างนั้นก็เราก็ไม่ต้องเอาใจใส่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเสียงเงเรานี้มันก็เกิดขึ้นจากใจของเรานี่เองล้ว ต, ตามธรรมดาแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้ยินเราได้ยิน ได้ยินก็เพราะจิตมันสงบสงบมันก็เกิดขึ้นมาจากจิตทั้งเสียงทั้งแสงอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาได้นั้นเมื่อเวลาจิตมันสงบ <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณวะลันทรเหมอเอมอมอนเหมอ๋อเหมอมอนไพบุญ ก็ติดอยากทราบว่าทําไมมนุษย์ถึงเกิดมาต่างกันคะมันคนก็สวยหลอมันคนก็รวยก็รวยไม่เลิกจนก็จนไม่เสร็จอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากกรรมเกา่าอคนที่เอเคยทําบุญมามากก็มาสวยผลอคนเอขี้เหนียวขี้นีมมากมาก็ากกสวยผลเป็นคนจนไป อะไรอย่างเงี้ยมีเงินมีทองก็ไม่รู้จะช่วยสงเคราะห์คนอื่นก็เหมือนกันกับคนที่ขึ้นภูเขาทอง <c oughs> พอขึ้นไปถึงที่สุดแล้วก็ลงคนที่อยู่ใต้ภูเขาทองก็จะต้องขึ้นภูเขาทองต่อเหมือนกับคนที่กรรมทากรรมพอสร้างบุญได้เยอะมาก็เป็นคนรวยรวยแล้วก็ได้ลืมซะ ก, ก็ลงไปเป็นคนจนใหม่ โลกมันก็เหมือนเวียนกันไปอย่างนี้นคือกรรมเก่าอันนี้ก็พูดตามบาลีได้เท่าไหร่แล้วสองสามสี่ห้าหดเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีก็คงจบเพียงเท่านี้